สโลกอันเป็นหัวใจแห่งความเมตตากรุณาแปลและเรียบเรียงโดยชยธรรมโมภิคุสารบันบทที่หนึ่งสรุปความจากกรณียะเมตตาสูตรบทที่สองแปดสโลกธรรมแห่งการฝึกจิตบทที่สาม เจ็ดสิบสโลกธรรมแห่งสุญญาตาบทที่สี่สามสิบเจ็ดข้อปฏิบัติเพื่อการฝึกตน